คืนนั้นพระเจริญนอนคิดว่าจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนที่จะสามารถสอนกรรมฐานให้ท่านได้สมภารวัดสถาพิรมก็มรณภาพก่อนที่ท่านจะอุปสมบทเพียงเดือนเดียวไม่เช่นนั้นโยมยายก็คงให้ท่านบวชที่วัดสัทาพิรมหรือถ้าหลวงพ่อช้างยังมีชีวิตอยู่ท่านอาจจะเลือกบวชที่วัดตึกราชา จะได้เรียนสมรภกรรมฐานกับหลวงพ่อช้างหากได้ฌานท่านจะเหาะไปดูมั ก, กรีผลที่ป่าหิมะผาโ น, น้นท่านไม่เคยลืมเรื่องมั ก, กระีผลที่โยมยายเล่าให้ฟังหลายต่อหลายครั้งหากเป็นคนอื่นเล่าท่านคงไม่เชื่อแต่โยมยายถือศีลกินเพนมาตั้งแต่เป็นสาวรุ่นรุ่นเรื่องที่จะพูดโกหกพกลมนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ และที่สำคัญกว่านั้นก็คือหลักฐานมีอยู่ที่ยมใยญยครบทั้งตำราหงประลอดและประลอดที่หงสำเร็จแล้วช่วงเวลาของการคิดคำหนึ่งภาพของภิกษุรูปหนึ่งก็ผุดขึ้นในความคิดหลวงพ่อพูลแห่งวัดสังขาราชาตอนเป็นเด็กท่านชอบไปคุยกับหลวงพ่อพูล เพราะนอกจากจะได้กินขนมอร่อยแล้วยังได้ฟังนิทานสนุกสนุกที่หลวงพ่อพูลเล่าพระหนุ่มจึงตกลงใจว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หลังจากฉันพัตหารเพนแล้วท่านจะไปกราบเรียนและขอเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อพูณที่วัดสังขราชา พระครูสิงหะราชมุนีกำลังจะฉันขี่ลานเภสั์ครั้นเห็นภิกษุหนุ่มเดินขึ้นมาบนกุฏิก็ถือถ้วยยาค้างไว้พระเจริญคุกเข่าลงตรงหน้าภิกษุวัย72กราบเป็นจางครับประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงเอ่ยว่าจาลุงพ่อจำผมได้ไหมครับเด็กชายเจริญหลานชายใหญ่จ่างที่ชอบมาคุยกับลุงพ่อ บ, บ่อย เมื่อสิบกว่าปีก่อนพระครูสิงหะราชมุนีใช้เวลาคิดอยู่ครู่หนึ่งก็จำได้อเธอนั่นเองนี่บวชตั้งแต่เมื่อไรแล้วยมจังสบายเดียวนระ อ, อายุคงจวนเก่าสิบและกระมังแปดสิบเจ็ดแล้วครับลุงพ่อส่วนผมก็บวชเมื่อก่อนเข้าพรรษา กบว่าจะศึกตั้งแต่เมื่อวานแต่ยมย้ายให้อยู่ต่ออีกเจ็ดวันเพื่อจเจริญกรรมฐานผมจึงจะมาขอเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อพระหนุ่มบอกความประสงค์แล้วใครเป็นอุปชาของเธอละ่ะทำไมถึงไม่เรียนกับท่านฉันไม่อยากข้ามหน้าข้ามตาใครพระครูสิงหาราชมณี ปฏิเสธกลายๆเจ้าคุณพรมนคราจาร์วัดแจ้งพรมนครครับท่านบอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนเพราะไหนๆก็จะลาศิกขาแล้วเมื่อพูดกับหลวงพ่อพูนท่านไม่ต้องใช้ถ้อยคำที่ฟังดูเป็นพิธีรีตองเหมือนที่พูดกับพระอุปชาเจ้าคุณพรมพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูก อันที่จริงมันไม่เกี่ยวกับการศึกหรือไม่ศึกหรอกนะคนที่บวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ครบไรสิกาณ์นะสิทำไมเธอถึงไม่มาบวชที่วัดนี้ละ่ะโยมยายบอกว่าไกลบ้านครับเวลาไปบินทบาททำให้ลำบากและเสียเวลามากผมจึงบวชที่วัดพรมบุรี ดูมีเจ้าคุณพรมท่านมาเป็นอุปชาให้นั่นหลวงพ่อฉันอะไรครับท่านมองน้ำสีน้ำตาลเข้มในถ้วยที่พระครูสิงหาราชมนีถือค้างอยู่ยาตม้มฉันอาพาธมา น, นานต้องฉันยาทุกวันเป็นอะไรหรือครับแล้วหลวงพ่อไปหาหมอหรือเปล่า ถามอย่างอาธรเพิ่งจะสังเกตว่าภิกษุวัยเจดสูซูบซีดและเหนื่อยล้าหมอเขาว่าเป็นฝฟในท้องรักษาไม่หายและไม่มียารักษาด้วยฉันเลยหายามาต้มกินเองก็พอทุเราลงบางมันปวดเหลือเกินเธอเอ้ย เวลาท้ายก็มีหมูเลือดออกมาด้วยทรมานอย่าบอกใครเจียวหากเป็นยมยายพูดเช่นนี้ท่านคงจะย้อนถามว่าแล้วยายมาบอกผมทำไมเพราะความเคยชินแต่กับภิกษุผู้กำลังอาภาษตรูปนี้ท่านไม่อาจพูดเช่นนั้นได้นิมนต์หลวงพ่อฉันยาก่อนเถอะครับหลวงพ่อภูน ยกถ้วยยาขึ้นดื่มและบ้วนน้ำลายลงกระถนพลางบนยาไทยเนี่ยมันคมเลือกเกินแต่ก็ยังดีกว่าทนปวดสังขารนี่มันทุกจริงๆนะเธอนะฉันคงจะละมันไปสถกทีนี่ก็ตั้งใจว่าจะอยู่ต่อไปอีกสองวันพระเธอมาช่วยงานศพฉันด้วยนะ พูดเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาหลวงพ่อพูดจริงหรือพูดเล่นครับพระหนุ่มใจหายวา่าพูดเรื่องจริงนะสิเรื่องพูดเพอเจ้อโปรยประโยชน์น่ะฉันไม่ทำหรอกบาปกรรมเปล่าๆถ้าเช่นนั้นผมคงหมดโอกาสที่จะเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อจะละสังขารเสียแล้ว ท่านรู้สึกผิดหวังยังไม่หมดหรอกอีกตั้งสองวันพระกว่าฉันจะไปเธอจะเรียนวันนี้เลยก็ยังได้เอาไหมละ่ะผมเกรงใจครับไม่อยากให้หลวงพ่อต้องมาลำบากเพราะผมจะลำบากลำบนอะไรกันดีซสอีกฉันจะได้ทำประโยชน์ให้กับโลก เป็นครั้งสุดท้ายเธอจำไม่ได้แล้วหรือสันเด็จพ่อของพวกเรานั้นขนาดพระองค์กำลังประชวนจวนจะดับขันทปรินิพานยังทรงพระกรุณาโปรดสุภทธะปริพาชกให้บรรลุอรหัตผลเป็นปัจฉิมสาวกฉันต้องการทำประโยชน์ ไม่ใช่มานั่งรอนอนรอวันตายเสียงที่พูดแม้แหบแห้งหากแสดงความเด็ดเดี่ยวของผู้พูดถ้าเช่นนั้นผมจะกลับไปเรียนขออนุญาตท่านสมภารมาอยู่กับหลวงพ่อสักเจ็ดวันนะครับจะดด้วยช่วยรักษาพยาบาลหลวงพ่อด้วยถึงศึกแล้วผมก็จะมาปรนนิบัติหลวงพ่อเพื่อทดแทนคุณพระหนุ่มพูดด้วยสำนึก แห่งกระตะเวทิตาธรรมดีจะทำอะไรก็ทำเลยยาโมผัดวันประกันพรุงพระครูสิงหะราชมุนีแนะนำพระเจริญจึงกลาบท่านสามครั้งและเดินทางกลับวัดเพื่อขออนุญาตสมภารวัดพรมบุรีไปอยู่วัดสังขราชาเป็นการชั่วคราว พระนุม่มตรงไปยังกุฏิของท่านเก็บเครื่องอัฐบริขารใส่ย่ามและจึงไปหาหลวงพ่อช่อเจ้าอาวาสวัดพรมบุรีท่านสมผานครับผมพระเจริญทิตะธรรมโมจะมาขออนุญาตไปอยู่ปรนิบัติพระครูสิงหาราชมุนีที่วัดสังขราชาสักเจ็วันวันที่8ผมจะมาเข้าพิธีลาศิกขาที่วัดพรมบุรีครับ ทำไมต้องไปปรนิบัติหรือว่าท่านอาพาธฉันได้ข่าวมาว่าท่านอาพาธสมภารช่อดถามเองตอบเองเสร็จครับท่านบอกกับผมว่าเป็นฝีในท้องและคงจะอยู่ได้ไม่เกินสองวันพระผมจึงอยากไปปรนิบัติท่านเธอคุ้นเคยกับท่านมาก่อนหรือหรือว่าเป็นลูกหลานท่าน สมภารวัดพรมบุรีถามไม่ได้เป็นลูกหลานหรอกครับเพียงแต่คุ้นเคยกันมาตั้งแต่ผมยังเด็กท่านให้กินขนมและเล่านิทานให้ฟังด้วยครับพระหนุ่มไม่บอกเรื่องที่จะไปเรียนกรรมฐานถ้าเช่นนั้นก็ไปเถอะไว้ว่างๆฉันก็จะไปเยี่ยมท่านเหมือนกันมูนี้งานยุ่งเหลือกเกิน พระนุ่มจึงกราบสมพานสามครั้งแล้วลุกออกมาตั้งใจว่าจะไปแวะตลาดเพื่อซื้อทูปแพรเทียนแพรเตรียมไปขึ้นกรรมฐานกรรมฐานที่พระครูสิงหราชมุนีสอนให้กับพระเจริญคืออาณาปณาะาสติคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้ากำหนด ในใจว่าพุทธหายใจออกกำหนดในใจว่าโทรัรบกรรมาฐานแล้วพระหนุ่มก็นั่งภาวนาพุทโธอย่างตั้งอกตั้งใจรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการปฏิบัติหากก็เพียงชั่วครู่เพราะเมื่อหนึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านก็รู้สึกเบื่อหน่ายและเกิดความสงสัยว่าจะปฏิบัติไปเพื่ออะไร สึงออกไปเล่นดนตรีไทยยังจะดีเสียกว่าท่านคิดถึงระนาดที่หลวงทารามอบให้เป็นมรดกงานลอยกระทงเดือนหน้านี้คงจะได้แสดงฝีไม้ลายมืออีกครั้งเมื่ออารมณ์ทางโลกเข้าครอบงำท่านจึงไม่มีแก่ใจที่จะปฏิบัติธรรมสู้นอนฝันหวานรอวันสึกดีกว่าคิดได้ดังนั้นจึงลุกจากที่นั่ง เดินไปยังที่นอนนั่นจะนอนแล้วเหรอเสียงทักของหลวงพ่อพูลทำให้ท่านชะ ง, งักอยู่กับที่หลวงพ่อยังไม่หลับอีกหรือครับท่านถามมันปวดจนหลับไม่ลงเลยนอนดูเธอปฏิบัติรู้สึกเธอไม่มีศรัทธาเลยนะตัวศรัทธานี่สำคัญมาก เป็นตัวนำให้เกิดวิวริยะเมื่อไม่มีศรัทธาวิวริยะก็ไม่เกิดมานี่เขามานั่งไกลๆฉันจะได้ไม่ต้องใช้เสียงมาพระหนุ่มจึงเดินมานั่งพระเพียบข้างที่นอนของท่านภิกษุไวเจ็ลุกขึ้นนั่งอย่างช้ า, ชาแม้จะปวดท้องอย่างแสนสาหัส หากก็พยายามข่มทุกขเวทนาเพื่อประโยชน์ผู้อื่นการปฏิบัติจะก้าวหน้าจะต้องให้อินซีฮาเสมอกันเธอรู้จักอินซี้าไหมมีอะไรบ้างไม่ทราบครับอินซีแปลว่าความเป็นใหญ่ในการปฏิบัตินั้นองค์ธรรมที่สำคัญมาก คืออินทรีย์ซึ่งได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาต้องให้เสมอกับปัญญาวิริยะต้องให้เสมอกับสมาธิโดยมีสติเป็นตัวควบคุมลุงพ่อภูลพยายามอธิบายพระหนุ่มได้แต่นั่งทําตาปริบ เพราะไม่เข้าใจทั้งเกิดความรู้สึกต่อต้านคิดแต่ว่ารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์จึงไม่มีแก่ใจอยากรู้หลวงพ่อจะฉันยาไหมครับผมจะรินให้พระเจริญถามไปอีกทางหนึ่งหมายให้ภิกษุชราเบนความสนใจออกจากเรื่องที่กำลังพูดอย่าพาออกนอกเรื่อง เรากำลังพูดเรื่องอินซีฮากันอยู่พระครูสิงหาราชมณีไม่ยอมหลงกลพระหนุ่มจำต้องฟังคิดว่าจบแล้วท่านคงอนุญาตให้จำวัดได้หากก็ต้องผิดหวังเมื่อท่านพูดขึ้นว่าเอาละ่ะเธอปฏิบัติต่อได้ถ้านั่งมันเมื่อยนะักก็ให้เดินจงกรม เดินเป็นวงกลมหรือครับพระหนุ่มถามด้วยไม่เคยได้ยินคํานี้มาก่อนไม่ใช่เดินจงกลมหมายถึงเดินกลับไปกลับมายางมีสติก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวาก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าซ้าย หลวงพ่อภูนชี้แจงพระหนุ่มจำใจต้องปฏิบัติต่อท่านเริ่มเดินจงกรมตามที่หลวงพ่อภูนแนะนำครั้นแล้วความคิดอย่างหนึ่งก็ผุดขึ้นมาท่านจะคิดการเดินจงกรมของท่านเองก้าวเท้าขวากำหนดในใจว่าพุทธก้าวเท้าซ้ายกำหนดว่าโทแล้วท่านก็เดินพุทโทพุทโท อย่างเพลิดเพลินพักใหญ่ๆก็รู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนเป็นนั่งภาวนาเหลือไปดูหลวงพ่อภูลเห็นนอนสงบนิ่งคงจะหลับแล้วลมพัดมาต้องชายมุง้งไหวน้อยๆอากาศเย็นสบายหน้านอนออกอย่างนั้นแสงริบหรี่จากตะเกียงรัว้ว ที่ท่านรีให้ต่ำสุดทำให้บรรยากาศน่านอนมากขึ้นแล้วเหตุฉไฉนท่านจมัวมานั่งหลังขดหลังแข็งอยู่เล่าพระหนุ่มตัดสินใจลุกขึ้นไปกลางม้งของท่านเพื่อเตรียมตัวจำวัดกลางม้งเสร็จจึงดับตะเกียงยังไม่ทันเอ็นกายลงนอนสิงหลวงพ่อพูนก็ดังขึ้นอย่าเห็นแกนอนนั่งภาวนาไป มันจะหลับก็ให้นั่งหลับอยู่ในมุ้งนั่นแหละพระเจริญรู้สึกหงุดหงิดหากก็ต้องทำตามแล้วเลยพานกโกรธไปถึงโยมยายผู้เป็นต้นคิดให้ท่านทำกรรมฐานโยมยายนะโยมยายไม่น่าทรงพระหลานชายมาลำบากลำบนอย่างนี้เลยท่านต่อว่าในใจ เจ็วันผ่านพ้นด้วยความอึดอัดและฟุ้งซ่านรําคาญใจพระเจริญรู้สึกเข็ดขยาดกับกรรมฐานของหลวงพ่อพูลท่านรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยจากการปฏิบัติครั้งนี้ศรัทธาที่ไม่เคยมียังคงไม่มีต่อไปพระครูสิงหาราชมุนีเองก็รู้สึกว่าลูกศิษย์ของท่านไม่ได้อะไรจากการปฏิบัติ แต่ก็ยังดีที่เขาปรนนิบัติวัตถากแต่ก็ยังดีที่เขาปรนนิบัติวัถากท่านเป็นอย่างดีนี่ก็บอกว่าไปทำพิธีลาศิกขาแล้วจะกลับมาดูแลท่านช่างเป็นคนมีน้ำใจเหลือเกินคนเช่นนี้หาได้ไม่ง่ายนะักจึงสมควรที่จะได้ของดีที่ท่านมีอยู่ดังนั้นเมื่อพระหนุ่มมากราบลาเพื่อกลับวัดรมบุรี ท่านจึงบอกเขาว่าขอบใจเธอมากที่มาช่วยดูแลฉันฉันมีของดีจะมอบให้เธอเพราะวันพระนาฉันก็จะละโลกนี้ไปแล้วเธอจงเก็บรักษาไว้ให้ดีนี่เป็นของเก่าแก่จากสุขโขไทยเชียวนะท่านยื่นพระพุทธรูปปางลีลา ขนาดสูงเก้านิ้วให้พระหนุ่มขอบพระคุณครับพระเจริญก้มลงกราบสามครั้งเก็บไว้ให้ดีนะเป็นของเก่าจากสุขโขทยัยตกทอดกันมาหลายจั่วคนแล้วลุงพ่อได้มาจากไหนครับพระเจริญถามลุงพ่อเฉยท่านมอบให้ฉันก่อนที่ท่านจะมรณภาพ เธอคงไม่รู้จักหลวงพ่อเฉยหรอกนะเพราะท่านมรณภาพไปรวมสามสิบปีแล้วครับเพราะตอนนั้นผมยังไม่เกิดและหลวงพ่อเฉยท่านบอกหลวงพ่อหรือเปล่าครับว่าได้พระองค์นี้มาจากไหนบอกสิท่านบอกละเอียดซะด้วยฉันจะเล่าให้เธอฟังนะท่านหยุดหายใจลึกๆ ก, ก่อนเล่าหลวงพ่อเฉยท่านบอกฉันว่า ได้พระองค์นี้มาจากสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพสมัยนั้นสมเด็จท่านออกตรวจราชการทางเรือพระองค์มีเรือขาวลําหนึ่งสําหรับใช้เป็นพาหนะเดินทางเป็นเรือมอเธอรู้จักเรื อ, ม, อม่อไหมเล่าไม่รู้จักครับก็เรือที่ใช้ไอน้ํานั่นไงเล่า รู้จักแล้วครับนั่นแหละเวลาพระองค์ผ่านมาทางสิงบุรีก็จะทรงแวะที่วัดลุงพอดเฉยก่อนลุงพอเฉยท่านสร้างพระปิตาสมเด็จท่านบอกว่าอย่าไปสร้างพระปิตาอย่าไปสร้างพระนั่งให้สร้างพระเดินถึงจะเจริญกาวหน้าวันหนึ่ง พระองค์ทรงเรือขาวไปตรวจราชการสุขโทขทัยคากลับก็ทรงแวะที่วัดหลวงพอ่อเฉยมื้นตอนขาไปและได้ถวายพระพุทธรูปองค์นี้แกหลวงพ่อเฉยพร้อมรับสั่งว่าให้หลวงพ่อเฉยสร้างพระพุทธรูปปางลีลาแบบองค์นี้ แทนที่จะไปสร้างพระปิตาหรือพระนังพระบุทธรูปองค์นี้งามมากและเป็นของเก่าเธอดูสิงามไหมครับพระหนุ่มตอบอย่างไม่ยินดียินร้ายลุงพอดเชยท่านชราภาพมากท่านบอกไม่มีกำลังที่จะสร้างจึงนำมามอบให้ท่าน ขอให้ฉันสร้างแทนท่านด้วยฉันจึงสร้างพระพุทธรูปปางลีลาไว้ที่หน้าโบสถองค์หนึ่งแต่กองามสู่องค์นี้ไม่ได้ฝีมือทางสมัยนั้นกับสมัยนี้จะเทียบกันได้อย่างไรจริงไหมจริงครับท่านตอบไปอย่างนั้นเองเพราะใจไปอยู่ที่วัดพรมบุรีเสแล้ว ท่านอยากศึกจนเนื้อเต้นก็ว่าได้นั่นสิสมเด็จท่านยังมีรับสั่งกับหลวงพอ่อเฉยอีกว่าพระพุทธรลปปางเลีลานั้นมีสร้างอยู่สามแห่งคือที่สุขโขไทยกำแพงเพชรและสุพรรณบุรีแต่ที่สุขโขไทยนั้นงามที่สุดแล้วหลวงพอ่อจะให้ผมสร้างอีกหรือเปล่าครับ ท่านถามถ้าเธอสึกไปแล้วก็ไม่ต้องสร้างแต่ถ้าเธอยังไม่สึกฉันก็อยากให้เธอสร้างไว้ที่หน้ากุฏิของเธอพูดก็พูดเธอฉันดูหน้าเธอแล้วรู้สึกว่าเธอจะต้องบวชไปจนตลอดชีวิตพระหนุ่มรู้สึกไม่พอใจจึงพูดตรงไปตรงมาเป็นไปไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อ ผมไม่มีศรัทธาที่จะเป็นพระผมเรียนตามตรงก็ได้ผมเกลียดพระแต่ผมไม่เกลียดหลวงพ่อหรอกนะครับเพราะหลวงพ่อมีพระคุณต่อผมโบราณว่าเกลียดขี้ตามเธอเกลียดพระก็จะต้องเป็นพระฉันว่าเธอศึกไม่ได้แน่ภิกษุวัยเจ็พูดด้วยเสียงที่แหบแหง้ง หากก็ทำให้คนฟังหงุดหงิดขัดเคืองใจยิ่งนัก